ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่ยี่สิบห้าโโ ล, ลว่า่ที่ค่อข้างจะรุ่งเรืองและมันคงจะมีในชาประเทศหรื่ประเทศไทยเข้ามาแล้ลังการก็ผมก็ลองพิจารณานดูว่าเอ๊ททำไมประเทศที่มีศาสนาพุทธคนข้างจะรุ่งเรืองหรือว่าจะรับการยอมรับเนี่ย ทั้งสประเทศไ ม, ไม่มีประเทศไหนที่เดินทางวัตถุควาสงบมั่นคงภายในประเทศเองก็เป็นปัญหายกตัวอย่างอย่างทางพม่าที่ก็ก็ยังไม่เรียบร้อยแล้เด็กผมก็เลยสงสัยว่าเนี่ศา ส, สนาเราในที่จริงแล้วมันเป็นศาสนาที่เตรี่ยนได้เห็นผลแสดงว่าผู้ที่นับถือหรือประเทศที่นับถือเนี่ยนะฮะไม่สามารถเข้าถึงสาระหรือแก่นของตัวศาสนาพุทเด้เลยมยีแต่เพียงแต่รูปแบบใช่มครั ที่นับถือพุญจศาสนาสายนี้มีแต่ยุ่งเท่านั้นว่างานเถอะคือคือไม่ถึงขนาดที่ออกมาว่าทางด้านวัตถุก็ไม่เจริญขนาดนี้มันด้านความสงบมั่นคงเนี่ยก็ไม่ได้วันดีจะที่เดียวเมืไปเปรียบเทียบกับประเทศอย่างอย่างอย่างสวิตเซอร์แลนด์นะฮะหรืออย่างนิวซีแลนด์ที่เป็คสหรือเป็นศาสนาอื่นแล้วก็มีความสงบทางในประเทศความสามัคคีในประชาชนสูงกว่าพอไปเปรียบเทียบทางด้านวัตถุกับประเทศอเมริกาอิลมาหรือญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะ เพราะาร้านหลั ง, งเขามันก<อ>็เลยมีความสังเกตว่าเอ๊ะแสดงว่าประเทศเหลือาประเทศนี้ที่ที่ได้รับการยอมรับจากอญญาณานิคประเทศว่าเป็นประเทศที่มีศาสนาศาสนาพ้ที่รุ่งเรืองหรือมั่นคงเนี่ยเราอาจจะมีเฉพาะรูปแบบใช่ไหมครับไม่ใช่มีสาระสาระอาจจะขาดหายไปเชื่อไหมก็มีข้อพิจารณาหลายอย่างอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการพิจารณาเกี่ยวกับยุคสมัยด้วย หนึ่งประเทศนั้นโดยตัวของตัวเองสองประเทศนั้นการตัวปัจจัยอื่นที่เข้ามาของยุคสมัยเช่นอิทธิพลของต่างประเทศแล้วก็สามประเทศนั้นกับความสัมพันธ์กับศาสนาของตนเองด้วยนีมันเป็นยังไงบ้างก็พุทธศาสนา ถ้าเอาจากปัจจุบันเข้าไปก็เวลานี้มันเป็นยุคที่อิทธิพลของตะวันตกที่เข้ามาใช่ไหมก็นับตั้งแต่อิทธิพลตะวันตกเข้ามาก็ก่อให้เกิดความวุ่นวายเดือดร้อนพอเข้ามาหาอนาลิคมใช่ไหมเนี่ยหนึ่งเขายอมรับว่าประเทศเหล่านี้แต่สมัยก่อนมีความสุขสบายพอสมควรนะใช่ไหมอย่างตอนที่อยุธยาเนี่ยฝรั่งเข้ามาบันทึกไว้นะ เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจริญมากมายทางวัตถุล่ะแต่ก็เรียกว่าอารยธรรมสมัยเก่านี่เราเริ่มก่อนเขาไม่ใช่เลยถูกไหมเนี่ยสมัยที่ฝรั่งยังแย่อยู่เลยก็ทางตอนออกนี่เจริญก่อนในสมัยที่อารยธรรมตอนออกเจริญจีนอินเดียเจริญนั้นฝรั่งยังเป็นอนาระยะอยู่ยังเป็นพวกเร่ร่อนใช่ไห นี่ก็จเจริญรุ่งเรืองมาก็มีความจเจริญเสื่อมวงจรอันหนึ่งก็คือว่าพอเจริญแล้วก็จะมัวเมาลุ่มหลงประมาทแล้วก็เสื่อมแล้วก็ในความจเจริญและความเสื่อมนั่นเองก็คือเรื่องกิเลสของคนเช่นว่าผู้ปกครองแย่งอนานาจกันเป็นต้นนี่ยุ่งมากสาหรับเมืองไทยนี่มีปัญหาอันนี้มากนะเรื่องของการแย่งชิงอำนาจ ของผู้ปกครองเนี่ยเป็นลักษณะสําคัญของอยุธยาเลยว่าการเปลี่ยนแปลงในด้านอํานาจไม่ค่อยเป็นไปโดยสงบเนี่ยใช่ไหมฮะเวลาเปลี่ยนแผ่นดินทีหนึ่งต้องตายกันแย่ไปเลยไม่มีระบบวิธีที่จะทําให้การเปลี่ยนแผ่นดินนี้เป็นไปได้เรียบร้อยนันพอเปลี่ยนแผ่นดินทีหนึ่งก็ทําให้ สังคมนี่เสื่อมถอยมากอย่างอย่า ง, า ง, างพระเจ้าประาสาททองนี่ขึ้น ấy, ใช่ไหมก็ฝ่ายตรงข้ามนี่ไม่มีระคาทีไม่เหลือเลยใช่ไหมนี่คนที่มีฝีมือคนมีความรู้ความสามารถก็ตายแทบเรียบเลยก็ประเทศก็อ่อนแอลงก็เริ่มต้นกันใหม่นะก็จะมีปัญหาเรื่องนี้ด้วยเรื่องเรื่องด้า น, านการปกครองที่ขาดระบบ ที่จะสืบอำนาจกันอย่างที่สันติที่สุดแต่ทีนี้ว่าถึงทั่วไปก็ประชาชนก็ถ้าอยู่กันก็นับว่าดีนะนะอย่างที่ว่าฝรั่งเข้ามาในสมัยยุทธยาประชาชนก็อยู่กันสุขสบายแต่ว่าเป็นแบบอยู่ใกล้ธรรมชาติหน่อยนะแล้วก็แผ่นดินมันก็อุดมสมบูรณ์ถูกไหมฮะอ่าแผ่นดินมันก็เ อ, อื้อธรรมชาติแวดล้อมอําหนวย อันนี้อีกด้านหนึ่งพร้อมกับที่มีด้านดีที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เอื้ออำนวยนั้นแต่มันก็ทำให้ประชาชนนี้ไม่ค่อยเข้มแข็งใช่อันนี้เป็นปัจจัยในด้านสภาพแวดลอ้อมคือว่าคนที่ไม่ผเผชิญกับความทุกข์ยากนี้จะไม่ค่อยมีนิสัยในการดิ้นรนขนขวายก็จะมีความโน้มเอียงในการที่ว่า จะเสวยความสุขใช่ไหมอันนี้ก็ต่อไปก็เห็นแก่ความง่ายนะถ้าหากว่าไม่ระวังให้ดีก็เป็นคนมักง่ายไปเลยเนีย่นี้ไอความที่ไม่ค่อยดิ้นรนต่อสู้ไม่เข้มแข็งนี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งแห่งการที่จ ะ, จะเจริญในทางการสร้างสรรค์ได้ยากเหมือนกันคล้ไขไขายๆว่าอยู่ยังไงก็พอใจอย่างนั้นใช่ นี่เราก็ไปดูการที่มานับถือพุทธศาสนาอีกก็เหมือนอย่างที่ผมพูดวันนั้นพอเรานับถือพุทธศาสนาเราหลักธรรมมาใช้นี่เราอาจจะมุ่งไปเพื่อเอออยู่ร่วมกันเป็นสุขแล้วกันพอกันใช่ไหมอย่างเอาชาติสันโดดมาใช้เนี่ยก็สันโดดก็เราก็มองแค่ว่าพอใจในสิ่งที่มีแล้วก็สบายมีความสุขก็ไม่เดือดร้อนไม่ทะเยอทยานไม่ดินน่นร่นมันก็ดีตัวเองก็มีความสุขเราก็ไม่เบียดเบียนกันใช่ไหม แต่ว่ามันไม่ใช่สันโดษที่ถูกต้องตามความมุ่งหมายพุทธศาสนาที่ท่านให้สันโดษเป็นเพียงการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อจะได้ก้าวไปใช่ไหมไอ้นี่ตรงเนี้ยคนไทยขาดธรรมะแทบทุกข้อเอามาใช้เพื่อหยุดนิ่ง mm hmm. เพื่อจะได้สบายไม่ใช่เพราะไทยหรอกทัประเทศพมา่าอะไรต่อะไรก็แบบเดียวกันหมดดันั้นก็ต้องมาดูปัจจัย สภาพแวดล้อมนะที่ว่าดีแต่อีกพลิกด้านหนึ่งก็กลายเป็นทำให้ตัวเองนี่ขาดความเข้มแข็งไม่ก้าวหนะ้าสองการนำธรรมะในพุทธศาสนามาใช้ก็ใช้ในเชิงที่ทำให้หยุดนิ่งอีกนะสามพอปัจจัยไยตะวันตกอิกทธิพลภายนอกเข้ามาเข้ามาในลักษณะคุกขามแบบหนึ่งใช่ไหมแบบหนึ่งคุกขามเลยเข้ามาเอาไวในอานาจเช่นอย่าง พ, พม่านี่โดน ตกเป็นอนาธิคมไปเลยใช่ไก็ต้องกดขนะนนี่นั้นชนพวกนี้ก็เหมือนกับว่าถ้าใช้คำแรงก็เรียกว่าเป็นธาตุทั้งชาติเท่านะ น, นั้นนีภาวะที่จะเป็นตัวตัวเองไม่มีนะนั่นก็เป็นปมปัญหาอันหนึ่งนะนี่ที่อิทธิพลต่างชาติเข้ามานี่สองสำหรับเมืองไทยนอกจากอิทธิพลคุกขามใน ต, ตอนแรกต่อมาก็เป็นเรื่องของอิทธิพลในทางวัฒนธรรม mm hmm. เช่นว่า ความรู้สึกที่เห็นว่าพวกนี้มีความเจริญมีของกินของใช้มีเทคโนโลยีเจริญแล้วเมืองไทยไปมองใ น, นแง่ของการที่จะฝ่ายหาสิ่งเสพสิ่งบำรุงมั่นเหอสิ่งฟุ่มเฟือยไปใช่ไหมนี่การที่มีท่าทีต่ออารยธรรมตะวตันตกหรือความเจริญทางวัตถุในทางที่ไม่ถูกต้องอันนี้ก็เลยตัวเองห่างจากหลักธรรมในพุทธศาสนาอยู่แล้ว ก็ไปปฏิบัติมีท่าทีต่อสิ่งที่เข้ามาที่เป็นความเจริญนี้ไม่ถูกต้องอีกก็เลยกลายเป็นสะสมหมักหมมปัญหาใหญ่เลยพอพัฒนาก็แทนที่จะจับจุดเรื่องไอ้เหตุที่มันทาให้ไม่ก้าวหน้าได้มันมีด้านดีอะไรแล้วก็มาเสริมแก้ส่วนที่มันบกพร่องมันกลายเป็นไปพลิกเปลี่ยนไปเลยใช่น่ส่งเสริมให้คนทยอยทยานอยากได้วัตถุฟุ่มเฟือยไปเลยไปอีกทิศหนึ่งเลย นี่ก็กลายเป็นว่าสร้างปัญหาก็ออกจากหลักในในพุทธศาสนาไปเลย mm hmm. นั่นในด้านหนึ่งที่เสื่อมก็เพราะออกจากพุทธศาสนา mm hmm. ใช่ไหมเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะนับถือพุทธศาสนาหรือเป็นเพราะออกจากพุทธศาสนาเนี mm ่ย hmm. ด้านหนึ่งก็ก้าวมายังไม่ถึงหลักการของพุทธศาสนายังใช้ธรรมะไม่ถูกด้วยซ้ำใช่ไหมเสร็จแล้วกลับไอ้ส่วนที่ดีที่มีอยู่บ้างนะ่ยก็ทิ้งอีกนะ่ยแล้วไปรับ แนวคิดตันตกนอกจากนับรับแนวคิดตัวตกมาแล้วมันรับผิวเผินอีกไอของดีของเขาที่มีอยู่ก็ไม่ได้รับอีกนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าของดีของตัวที่มีอยู่บ้างก็ทิ้งของที่เขามีดีก็ไม่ได้รับเอามาใช่ไหมมันก็กลายเป็นเอาแต่ส่วนที่เสียหมดเลยท่า <c oughs> นจะว่าไงเน <c oughs> ต่ อ, อคือประเด็นตรงนี้เยว่าเข้าใจที่จะพอคุณ ที่กำลังมองก็คือจริงๆแนละ้วถ้ากับสาประเทศนี้เนี่ยโคงเอาไว้ได้แต่รูปแบบแล้วใช่ไหมสาระทางทางพุทธศาสนาเนี่ยเ ร, เริ่มเจริญหายไปไปจับโลกใช่ไก็ต้องใช้กองทัพออกไปจับเริ่นหายไปจับโลกมากขึ้นทีมันมันก็มีอยู่บ้างแต่ว่ามันกลายเป็นเหลืออยู่ในร่องรอยของวัฒนธรรมหรือสิ่งที่สืบสายกันมาโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมเช<อ>่นอย่างการมีจิตใจดีมีเมตตากรุณาก็เป็นที่ยอมรับกันอยู่ ซึ่งเราก็บอกว่าเนี่ยมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมไม่ครบใช่ไหมอย่างคนไทยได้เมตตากรุณาปับ๊บแต่ว่าไอ้มุทิตาก็ด้อยไอ้มุเเวขาก็ไม่รู้จักใช่ไหมนี่ใช่แล้วก็เอาปธรรมะมาใช้เป็นแยกส่วนแทนที่จะเอามาทั้งชุดก็ามาเป็นข้อๆแล้วก็มาเน้นใช้กันทีนี้เมตตากรุณาก็ทำให้มีน้ำใจดีในแง่ดีก็ดีจิตใจยิ้มแยมแจ่มใสช่วยเหลือกันเต็มที่ แต่ว่ามันทําให้เกิดการที่หวังพึ่งพายอย่างที่ว่าทําให้อ่อนแอแล้วก็ช่วยกันจนกระทั่งเสียความเป็นธรรมที่ไม่มีอุเบกขานีแล้วก็มาสู่ระบบอุปถัมใช่ไหมในทางสังคมวิทยาก็ระบบอุปถัมก็เกิดขึ้นเป็นพวกไหนช่วยเหลือกันอะไรอย่างนี้กลายเป็นเมตตากรุณาอยู่ในหมู่ในพวกของตัวเองเนี่ยก็ ทางพุทธศาสนาก็บอกแล้วนี่นจจ ก, ก, ก, กุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลก็ได้อกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลก็ได้ใช่ไหม oh. เหมือนอย่างฝรั่งนี่เพราะเหตุที่มันมีความขัดแยง้งมีความบีบคั้นมากก็ทําให้ต้องดิ้นรนขนขวายเกิดความเพียรใช่ไหมคนเราถูกภัยคุกขามก็นอนไม่ได้ใช่ไหม oh. ต้องลุกขึ้นดินนี่เข้าหลักเรื่องคนเราปุถุชนเนี่ยเมื่อยังมีกิเลสเมื่อถูกทุก บีบคั้นภัยคุกคามก็ลุกขึ้นดิ้นหลนขนขวายเมื่ออยู่สบายก็มีความน้มเองที่จะนอนเสวยสุขใช่ไหมแล้วก็ประมาทตกอยู่ในความเกลียดคลานเฉ่ยชาผัดเพี้ยนอั น, นี้ของฝรั่งนี่โดนความบีบคั้นหนึ่งโดยภัยธรรมชาติหรืออย่างน้อยก็ธรรมชาติที่ไม่ค่อยเอือ้อทําให้ต้องดิ้นหลนทําให้ต้องคอยไม่ประมาทระวังตัวอยู่เสมอ ต้องตื่นตัวต่อภัยอันตรายแล้วก็ต้องรีบเร่งทําการต่างๆให้ทันเวลาใช่ไหมแม้แต่ในฤดูการแต่ละปีเนี่ยอยา่างที่เคยยกตัวอย่างบ่อยๆพอถึงฤดูหนาวทีนี้ฝรั่งรอไม่ได้เลยนะบ้านต้องซ่อมให้เรียบร้อยอาหารการกินต้องเตรียมไม่งั้นอยู่ไม่ตลอดฤดูหนาวตายก่อนใช่ไหมนั่นั้นมันผัดเพียนไม่ได้คนไทยนี่จะซ่อมบ้านกั ผัดไปเดือนหน้าผัดไปเดือนหน้าอีกปียังไม่ได้ซ่อมสักทมีมันไม่มีเหตุให้ตายถ้ามีเหตุให้ตายแล้วก็คนไทยก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมนี่มันไม่ตายมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรนักหนานก็ผัดเพี้ยนไปเรื่อยๆเนี่ยฝรั่งมันก็สร้างเป็นนิสัยใช่ไหมว่าเมื่อมีอะไรต้องทําต้องรีบทำจะมัวรอจะมัวผัดเพี้ยนไม่ได้ธรรมชาติบีบคั้นแล้วทีนี้มนุษย์ด้วยกันก็ฝรั่งนี่ก็ ประวัติการสู้รบไม่เบานะฮะประวัติการสู้รบการคุกคามก า, การกดขี่คมเหงมันก็ทำให้คนนี่เมื่อมีแรงกดดันมากนะก็จะมีการดิ้นรนมากถูกมฮะแต่นี้การดิ้นรนของฝรั่งนี่นำมาซึ่งการตั้งกฎเกณฑ์กติกาทำให้ฝรั่งมีความชํานาญในด้านนี้ mm hmm. เพราะเมื่อคนมาละเมิดต่อกันอยู่เสมอ ในที่สุดก็หาทางแก้ไขโดยการใช้กฎเกณฑ์กติกาฝรั่งก็ชํานาญในเรื่องนี้จนกระทั่งเกิด้เรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหม <c oughs> บกุกแมกนาคาตาหรืออะไรพวกนี้นะวินอฟไร์อะไรพวกนี้นะฝรั่งมีประวัติการต่อสู้ระหว่างมนุษย์เยอะเมื่อกี้ต่อสู้กับธรรมชาติทีนี้ต่อสู้กับมนุษย์อนการต่อสู้กับธรรมชาติก็นําไปสู่แนวคิดที่ว่าจะต้องพิชิตธรรมชาติถูกไหม <c oughs> คนไทย ไม่คิดตะวันออกโดยทั่วไปไม่คิดพิชิตธรรมชาติไม่คิดสู้เอาชนะธรรมชาติเพราะธรรมชาติมันเอือ้อมันอยู่สบายๆแต่ฝรั่งนี่ธรรมชาติปรากฏในะลักษณะที่มีความคุกคามอยู่เสมอเลยเพราะนั้นมันมองธรรมชาติเป็นศัตรูจะต้องสู้ต้องเอาชนะก็เลยเกิดเป็นแนวความคิดว่าถ้าเมื่อไรเราชนะธรรมชาติเมื่อ น, นั้นเราจะมีความสุขสมบูรณ์ใช่ ถึงกับเป็นแนวความคิดเป็นทิฏฐิพื้นฐานของอริยธรรมตอนตกไปเลย เ, เคยผมเคยเล่าแล้วในที่ฝรั่งอาจารย์เป็นเยอรมันมาสอนที่มหิดล น, นี่ไปกับอาจารย์ไทยไปที่ภูเขานะผมก็พูดเรื่องเนี้ยคุยกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มาบอกมาเรื่องนี้ผมก็บอกเนี้ยเมืองฝรั่งมีความคิดที่จะพิชิตธรรมชาติมองธรรมชาติเป็นศัตรนะูเขาก็นิ่งอึ้งไปแล้วสักครู่ก็ขาก็บอกว่า เขาก็ชี้มือไปข้างๆก็ข้างๆภูเขาก็ต้นไม้ธรรมชาติแถวนั้นใช่ไหมเขาบอกอ๋อก็บ้านเมืองท่านนี่ธรรมชาติมันเฟรนลี่เขาว่านะแล้วบ้านผมนี่มาอย่างงั้นบอกว่าเมื่อคืนนี้ก็ลูกยังโทรศัพท์ลูกสาวโทรมาบอกว่าจะแย่แล้วหนาวเลือเกินเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยก็อย่างเงี้ยก็ธรรมชาติบ้านเมืองท่านก็หมายถึงของเราเนี่ยมันเฟรนลี่เนี่ยมันก็ไม่ต้องไปต่อสู้อะไร ของเขามันบีบคั้นเนี่ยเขาก็รู้ตัวอยู่ใช่ไหมดฉะนั้นเมื่อคนถูกบีบคั้นมันก็รู้สึกต่อสิ่งนั้นในทางเป็นปฏิบัติ์แต่มันก็ต่อคิดต่อสู้จะเอาชนะธรรมชาติตลอดเวลาของเรามันไม่ได้ไปต่อสู้เอาชนะทําไมสบายใช่ไหมเออมันก็คนละแบบนี่นอกจากต่อสู้กับธรรมชาติแล้วก็ต่อสู้กับคนด้วยกันเนี่ยก็ต้องตื่นตัวอยู่เสมอแล้วก็ต้องหากฎหาเกณฑ์ ขึ้นมาตั้งเป็นกติกาที่จะให้ไม่ละเมิดต่อกันใช่ไหมก็เกิดความชํานาญในเรื่องกฎหมายเรื่องของกติกาสังคมแล้วก็อีกด้านอย่างหนึ่งก็คือความบีบคั้นทางสติปัญญานิาสนาของเรานี่เป็นศาสนาให้เสรีภาพมากและใช้ปัญญาใช่ไหมทีนี้การใช้ปัญญานี่มันต้อง ตั้งใจฝึกตัวเองต้องตั้งใจเรียนรู้เมื่อ้นมันก็ไม่ได้เรื่องใช่ไหมมันก็ไม่พัฒนาอันนี้เราสามารถรักษาระบบนี้ไว้ได้ไหมระ บ, บบการฝึกคนที่จะให้เรียนรู้ให้ฝึกตัวอยู่เสมอถ้าทำไม่ได้ระบบปัญญาที่เสรีเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยไม่ก้าวไปเลยใช่หมอันนี้ไม่พอใจฉันก็ไม่ทาเนี่ยไม่เรียนรู้ไม่ตั้งฝึกก็อยู่ก็ไปอย่างนั้นตามกิเลส ทีนี้ของศาสนาตะวันตกศาสนาแห่งศรัทธาบังคับหรือถูกไหมเนี่ยยิ่งสมัยก่อนนี่สมัยนี้ผ่อนแล้วใช ok? ok? ่สมัยก่อนนี anyway, ่เอาตายใช่เนี ine, right? ่ยอย่างแต่ก่อนนี De ้เริ่มด้วยศาสนาคริสต์เองเกิดขึ้นมาก็โดนเล่นงานใช่อ่าบังคับแล้วพวกโรมันก็จับพวกคริสต์ไปสู้กับเสือใช่สู้กับสิงโตสู้กับสิงโตเพื่อจะฆ่า ใช่เพราะว่าถือว่าเป็นคนชั่วร้ายานะฮะต่เป็นะฮให้ให้เอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมเนี่ยก็บีบคั้นเหลือเกินใช่ไหมบีบคั้นในทางเรื่องทางความคิดทางสติปัญญาความเชื่อพอทีนี้พอคลิดใหญ่ขึ้นมาเอาเล่นงานคนอื่นบ้างเอาอีกนะใช่ไหมแล้วคลิปพระแตกเป็นสองนิกายกันเล่นงานกันเองถูกไหม คาทอลิกกับโปรเตสแตนเนี่ยอย่างในอังกฤษนี่โอ้ถึงก็ต้องหนีไปอเมริกาใช่ไหม <S <S <ๆ>เพราะการไปอเมริกาเนี่ยมันผจญภัยอย่างยิ่งเลยนะเสี่ยงตายใช่ไหมโอกาสรอดก็น้อยแต่ว่ามันอยู่ไม่ได้ถ้าอยู่ตายแน่ไปอาจจะรอดบ้างใช่ไหมอันนี้นี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้คนฝรั่งต้องไปสู่โลกใหม่นคือประเทศอเมริกาอันนี้การกำจัดกันตอนนั้นมันรุนแรงขนาดที่ว่า ฆ่ากันทั้งหมู่บ้านแม้แต่เด็กเล็กๆก็ไม่เหลือนะเขายังมีรูปไว้ให้เลยรูปไอ้ตอนที่อย่างในอังกฤษเนี่ยที่ตอนไฟโปรเตสแตนต์กับคาทอลิกโปรเตสแตนต์ก็ฆ่าคาทอลิกอย่างที่ว่าล้างบางล้างหมู่บ้านอะไรกันตั้งนเนี้ยเนี่ยมันรุนแรงมากนะฮะอันนี้อ่ามันบีบคั้นความเชื่อไอ้นี่นี่หมายความว่าเป็นปฏิ ป, ปักษ์เป็นคนละนิกายก็ฆ่ากันขนาดนี้นะทีนี้ใน นี่กายเดียวนั่นแหละถ้าคนไหนเกิดสงสัยคำสอนในศาสนาเช่นสงสัยใบเบิลไงใช่ไอ่าฆ่าอีกใ ช, กใช่ก็ถามว่าพระเจ้ามีจริงหรือเท่านี้เรโดนจับขึ้นศาลแล้วใช่มน่พอศาสนาคริสต์ยิ่งใหญ่ขึ้นมีอำนาจสวมมงกุฎให้กษัตริย์ในยุโรปใช่ตอนนี้ตั้งศาลอินควิสิชันศาลไต่สวนศรัทธาขึ้นทั่วยุโรปเลยโดยเฉพาะสเปนนี่รุนแรงมากน่ เผาทั้งเป็นเลยเป็นหมื่นเลยนะเผาเผาทั้งเป็นเนี่ยคนไหนถามเรื่องพระเจ้าโดนจับขึ้นศาลคนไหนสงสัยไบยเบิ้ลโดนจับขึ้นศาลไม่ละทิ้งความคิดเห็นไม่ละทิ้งความเชื่อก็โดนเผาทั้งเป็นหรือดืด่มยาพิษอะไรพวกเนี้ยนี่นก็บีบคั้นอย่างนี้มันก็ยิ่งบีบยิ่งดินใช่ไหมไอ้คนที่มันอยากแสวงหาปัญญามันก็ไปจับกลุ่มกันใช่ไหมหลบลี่หลีกเอไป อยู่เป็นลับๆนะสืบความคิดอะไรแต่ละกันเนี่ยมันก็เป็นการบีบคั้นในด้านอีกปัญป ญ, ญาอีกอย่างใช่ไหมคนก็ดิ้นรนในเรื่องปัญญาจนกระทั่งฝังเป็นความอยากรู้คนยิ่งบีบยิ่งอยากรู้ใช่ไหมยิ่งปิดยิ่งอยากรู้ทีนี้ของพุทธเปิดเสรีถามอะไรก็ไม่ว่าขี้เกียจถามไม่ถามดีกว่านะีไปไปมาไม่ถามขี้เกียจถาม ถามแล้วก็ไม่เห็นว่าอย่างไงใช่ไหมเออแล้วก็ตอบเพราะเรียนเอาสิคือตอนอ้าวพอถามใช่ไหมเออแกอยากรู้เอาสิจะมาตอบให้กลับขี้เกียจฟังอีกเลยนะขี้เกียจคนอีกพอเปิดโอกาสให้เรียนใช่ไหมกลับขี้เกียจคนขี้เกียจเรียนไอตอนปิดปิดน่าดีนักอยากจะรู้พอเปิดให้มันต้องใช้ความเพียรนี่ยต้องเรียนต้องรู้ต้องไปค้นอะไรขี้เกียจอีกไม่เอาอีก อังนั้นของเราเนี่ยมันก็มีข้อเสียถ้าระบบการฝึกหายไปเมื่อไหร่แล้วก็หมดเลยนะพุทธศาสนานี่าศาสนาที่ให้ศสรีภาพเพราะฉะนั้นเราแรงบีบคั้นในด้านธรรมชาติแป็ล้อมก็แพ้เขาแรงบีบคั้นในการดิ้นรนต่อสู้ร่องมนุษย์มีอยู่บ้างนะฮะแต่มันไม่รุนแรงไม่มากถ้าเทียบของเรากับของฝรั่งแล้วเราเราน้อยกว่าเขาเยอะ ของเรานี่มันบีบกันอยู่แค่เนี่ยไทยก็สู้กับพม่ากับลาวก็เปรดุตันเนี่ยใช่ไหมของฝรั่งนี่มันข้ามแดนกันไปไกลๆนะฮะใช่ไหมฝรั่งมันโดนมันมันเป็นแผ่อาณาจักรไอ้ที่มันกว้างขวางมากนะฮะแล้วโดนบีบอย่างนี้เขาถึงได้ทำโกงนะครับใช่ไหมแมกดาแลนด์ถึงได้ปิดว่โลกผมก็นั่นแหละมันมันการดิ้นรนมันก็ดีอย่างเงี้ยใช่ไหม มันทำให้คนไม่ประมาทและแสวงหาเนี่คนคว้ากันไปที่จุดนี้ครับคุณอาจารย์ไม่ต้องขอเสียโอกาสถาอ่าเดี๋ยวให้จบอีกนิดหนึ่งสองแรงบีบคั้นจากคนต่อสู้บีบคั้นกันเองแล้วก็สแรงบีบคั้นจากศาสนาคือเรื่องบีบคั้นทางปัญญาใช่ไหมฝรั่งมีครบของไทยนี่ได้แรงบีบคั้นจากคนด้วยกันบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับขนาดฝรั่งแล้วก็ เลยมันเลยมีความโน้มเองที่จะตกในความประมาททีนี้การสงครามในขอบเขตที่กว้างขวางนี่มีดีอย่างทำให้มีการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมเพราะว่าชาตินี้อยู่ไกลพอมารบที่นี่นะฮะมันเอาเอาสิ่งแปลกใหม่มาซึ่งคนในถินนั้นไม่เคยรู้จักอย่างไทยกับพม่ารบกันใกล้อยู่แค่นี้ใช่เจออะไรมันก็เจอของประเภทเก่าๆอยู่นั่นแหละไม่มีอะไรใช่ อันนี้ของยุโรปนี่มันไปจะไกลใช่ไหมโอ้โหเวลาเวลารบกันแล้วมันจะเจอสิ่งแปลกใหม่มีการถ่ายทอดมีความตื่นตาตื่นใจอะไรต่างๆนะทให้การก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงมากมายอาทีนี้ท่านถามก็กลับไปสู่ที่พระเดชพระคุณอธิบายนะครับผมว่าอ้โลกนี้มันก็มีความผมใช้ควาว่าความบังเอิญอย่างสมดูเลเนยนะครับ ขนาดที่สังคมตะวันตกนที่เราวิเคราะห์จากประวติศาสตร์เขาเนี่ยจะธรรมชาติก็ดีจากแรงิดึงดันจากมนันดื้ยกันเองก็ดี เ, สสเรื่องศาสนาเรื่องศาสนาก็ดีผมมีความคิดว่าจริงๆเนี่ยพระพุทธองค์ น, น่าจะไ ป, ไปเป็นคนในลักษณะที่มีความเป็นตะวันตกหรือเป็นคนที่เป็นชาวตะวันตกมากกว่าเป็นชาวตะวันออกแต่มันก็เป็นความบังเอิญที่แปลว่าประเทศเขาที่ไฟไฟรู้สู้สิ่งยากไฟสร้างสารรค์ น, น, นะฮะกับมีพระาศาสดาที่ใ น, นเรื่องศรัทธาในขณะที่ตะวันออกยาง อย่างเอเชียเราเนี่ยที่มีศรัทธาหล ง, งมองง่ายเยอะเนี่ยนะฮะแล้วกับมีพระาศาสดาเป็นบรมพระศาสดาที่ใฝ่รู้แล้วก็มีเปียงไปด้วยเหตุผลซึ่งบมันมันเป็นความบาั ง, ง, ง, ง, งเอินอย่างสมจูนเนอร์จะเกิดถ้าพระจเจ้าไปท่านไปอุบัติที่ตะวันตกแล้วยุคพระเยซูมากลายเป็นาศาสนาหลักของทางตะวันออกแทนผมว่าโลกอาจจะหายยานะเร็วกว่านี้เพราะว่าไอทางด้านก็คงจะต้อง ระอเรื่องอย่างที่เรียกว่าพิชิตโลกในทั้งใบขนาดเดวกตะวันออกเราก็คงคงจะต้องกลายเป็นท่าของเขาอย่างอย่างสมบูรณ์แต่พปรากฏว่าผมมาวิเคราะห์แล้วมันมีลักษณะที่มันไม่ทราบจะอธิบายว่าอย่างไรหนึ่งและอย่างที่2ก็คือทุกศาสนาที่ผมลองมองนะครับทั้งสมศาสนาเลยท้ายที่สุดมันจะกลายเป็นสองนิกายเสมอคือยกตัวอย่างอย่างที่สเปนเป็นโรมันคาทอลิกโปรเตสแตน นะครมุสลิมเมื่อกลายเป็นอซุนนีกาชีมาแล้วพุทธเองก็กลายเป็นหินนยยาหรือมหาญาติก็เลยไม่ทราบว่าอี้มาเป็นความบังเอิญที่มันมาสอบท้องต้องกันหรือว่ามันมันมีเหตุปัจจัยอะไรที่ต้องมีเหตุปัจจัยสิครับก็มันเป็นความน้มเองอย่างการแตกนิกายเนี่ยนะคนมันก็มันมีลักษณะอย่างนั้นอยู่แล้วที่ว่ามันจะต้องมีความคิดความเห็นแตกต่างกันใช่ไหมเน่ย มันก็เป็นไปเองโดยเหตุปัจจัยธรรมดาในเรื่องของพฤติกรรมของมนุษย์และความคิดความเห็นความเชื่อใช่ไหมเมื่อประพฤติแตกต่างออกไปก็ต้องถามว่าทำไมคุณประพฤติอย่างนี้แต่เกิดในคนนั้นมีอิทธิพลแล้วทีนี้อา้าวไปทําไงไม่ได้เลยใช่มไหมอมีพฤติกรรมผิดเพี้ยนไปแต่มีอิทธิพลมากคนอื่นทําอะไรไม่ได้พวกนี้ก็กลับเป็นเจ้าสํานักตั้งคณะขึ้นมาเดียวกันแยกกันใช่อหมอมันก็ เป็นเรื่องที่ว่าในหมู่มนุษย์ทั้งหลายก็อย่างเงี้นยนะทีนี้ว่าทํำยังไงจะให้มนุษย์เนี่ยอยู่ด้วยดีก็คือการที่ว่าเราต้องมีการทวนกระแสใช่ไหม<อ>นะก็จะต้องมีท่าพุทธศาสนาก็ใช้หลักการฝึกถือว่ามนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่มีความประเสริฐที่ฝึกได้เนี่แต่ขอให้ชั้นใช้ความประเสริฐหรือธรรมชาติที่อํานวยอันเนี้ยมา แล้วมันจะทำให้อยู่กันได้ดีโลกอยู่ดีที่สุดทีนี้ของฝรั่งก็มีคนที่มีความคิดอยากจะให้สิ่งทั้งหลายดีเหมือนกันแต่มันไม่เอาละมันจะบังคับเลยใช่ไหมนะี่ยบอกว่าแกต้องเอาอย่างนี้นะในอย่างของอิสลามนี่รุนแรง oh. ใช่ไหมฮะไม่ใช่เขามาอยากดีนะเขาอยากจะให้ดีเหมือนกันแต่ว่า <c oughs> คำสอนมันออกไปในทางที่กลายเป็นบังคับไป ่คือมันไม่มองในแง่ของการฝึกมนุษย์ขึ้นไปให้รู้จักเรียนรู้แล้วก็พัฒนาคือคือไม่มองทั่วตลอดถึงธรรมชาติของมนุษย์และความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายว่าถึงยังไงเนี่ยแต่ละคนมันจะพัฒนาได้จริงมันต้องได้เกิดปัญญาเห็นความจริงนั้นนะแต่เขาเอาแค่ว่าเช่นอย่างเหมือนอย่างการผู้ปกครองง่ายๆเนี่ย บางทีก็เอ า, เอ า, เ, อาเอาแค่อยู่กันให้สงบเรียบร้อยกันแล้วกันไม่ต้องไปอั้มนะอะไรมานะังนั้นก็ตั้งกติกามาเลยแกจะทําทอย่างนี้นะถ้าแกทําก็ขาจบพอแล้วใช่ไหมเนี่ยก็ถือว่าทําอย่างเนี้ยเราจะได้อยู่ร่วมกันสงบสุข ย, ยอมสละไอ้คนที่มันไม่ถูกต้องจัดการมันไปเลยไม่ต้องไปรอช้าไม่ต้องไปคิดมากนะ บางศาสศาสนาก็บอกไม่ได้ไม่ได้ชีวิตมนุษย์ทุกชีวิตมีค่าเหมือนอย่างฝรั่งมาคิดสมัยเนี้ยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ฝรั่งก็พยายามถือเป็นเรื่องสําคัญว่าชีวิตมนุษย์นี่จะต้องเคารพหมดใช่ไหมก็เลยเกิดมีเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องอะไรต่างๆขึ้นมานแต่ว่าฝรั่งที่คิดอย่างนี้เพราะผ่านประวัติการบีบคั้นอย่างรุนแรงมาใช่ไหมมันก็เลยมันก็เลยไอความคิดในเรื่องนี้ก็เลยแรงขึ้นมาด้วย นี่อย่างคนที่มีสิ่งเหล่านี้อยู่เป็นปกติเนี่ยจะไม่ค่อยคิดเลยใช่ไหมก็จะเฉยๆเนี่ยจงกระทั่งบางทีก็มีความโน้มเองก็จัดการเลยอย่าไปคิดมากฟงกันนะก็รวมแล้วก็คือว่ามนุษย์เนี่ยโดยพื้นฐานก็เป็นปุตุชนใช่บุตุชนมันก็มีโลภโุสะโมหะหรือว่ามีตัณหามาณทิติไอทีนี้เจ้า สิ่งเหล่านี้มันก็จะเข้ามาครอบงามชักจูงพฤติกรรมและความคิดไปก่อนนอกจากก็ตัวเองจะมีสติแล้วก็ใช้ปัญญานะพยายามดำเนินชีวิตด้วยปัญญาด้วยความรู้ความเข้าใจความจริงนะแล้วก็พยายามที่จะดำรงอยู่ในเหตุผลแล้วก็พัฒนาคุณธรรมขึ้นมาใช่ไหม อันนี้มันก็ในแง่นี้ก็เหมือนกับว่าโดยหลักการทั่วไปในการที่มนุษย์จะทําอะไรให้ดีขึ้นก็เหมือนกับทวนกระแสะก็คือทวนกระแสะกิเลสอยู่เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นในสังคมแต่และสังคมเมื่อมองกว้างออกไปก็เป็นประวัติแห่งการต่อสู้กับกิเลสภายในของมนุษย์เองด้วยนะันนอกจากการต่อสู้ภายนอกสู้กับธรรมชาติสู้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วก็สู้กับระบบความคิดความเชื่อเป็นต้น หรือแระบบทฤษฎีทางสังคมอะไรพวกนี้นะแล้วก็ยังต้องต่อสู้กันในตัวเองก็คือกิเลส ข, ของตัวเองต่อสู้กับวิชาความไม่รู้เป็นต้นใช่ไหมก็ต่อสู้ตลอดแต่ในที่สุดแกนที่จะออกไปต่อสู้ข้างนอกก็ต้องต่อสู้ภายในนี่แหละใช่ไหมต่อสู้กับกิเลสเริ่มตั้งแต่ความไม่รู้อขอรบกวนพระเดชพระคุณเจ้าสองคำ ถ, ถามเกี่ยวกับการจัดการสังคมคืคคอเท่าที่ ทั้งหลักของศาสนาพุทธแล้วก็หลักของกิกรรมของมนุษย์นะครับ <Okay. S 1> ผมมีความเชื่อว่าศาสนาพุทธจะเป็นศา ส, สนาที่ถ้าไร่ลำจับแล้วน่าจะเป็นศาสนาอุดมคติสูงสุดในจำนวนศาสนาที่มีอยู่ท่านที่ผมเคยศึกษามานะครั บ, รบแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยตัวมนุษย์เองเนี่ยกับมีลักษณะที่ฝ่ายต่ําหรือว่าลักษณะทางด้านเร <Okay. S 1> ียกว่าติดลบความเห็นแก่ตัวก็ ต, กตามลักษณะที่จะเอาแต่ความง่ายเข้าว่าอะไรก็ตามเนี่ เพว่าปัตย์ทายที่สุดเนี่ยลักษณะที่ศาสนาพูดในเป็นศาสนาที่สูงมากยา ก, กเกิดความเข้าใจแล้วก็มีคือเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับถ้าเข้าถึงขณะเดียวกับมนุษย์จะมีกระแสจะไหลเติมท้ายที่สุดในเท่าไรมันลำเดาผมคิดว่าศาสนาพูดในตะจางหายไปจากผมไม่จำมาผมจะคิดเลยเถิดเลยว่าศ า, าสนาพูดในตจางหายไปจากโลกในเร็วที่สุดแล้วเราะทันจา ก, ากนั้นมาก็จะเป็นศาสนาที่ที่มีเหตุและผลหรือมีสภาพอุดมเกิดสิงจะลองกับทันลงมาเรื่อยๆ ก็เป็นธรรมดาของสิ่งที่มันลึกซึ้งประณีตความจริงเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ปัญญาและปัญญาก็ต้องซับซ้อนพอสมควรมันก็กลายเป็นเรื่องยากออใช่ไหมออก็จึงบอกว่าทุนกระแสนี่การที่จะรักษาไว้อยู่ก็ต้องมีระบบที่ดีช่วยไว้ในะระบบเช่นการระบบการฝึกคนเนะี่ย ก็คือการวางระบบสังคมที่จะให้มันเอื้อต่การที่จะให้มนุษย์นี่ฝึกตนเองถ้ามันไม่มีระบบช่วยมันก็แน่นอนมันก็จะเรือนหายไปได้ง่ายศา ส, สนาที่ใช้ศรัทธาบังคับมีหลักความเชื่อตายตัวมีข้อปฏิบัติตายตัวมันไม่มีอะไรซับซ้อนเพราะเข้ามาบอกว่าเออแกเชื่ออย่างนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วปฏิบัติอย่างนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าแค่นี้แกพอใช้ได้จบ มันก็อยู่สิใช่ไหมฮะมันไม่ต้องอะไรนี่ยทีนี้พุทธศาสนานี่มันต้องมาเรียนความจริงเออชีวิตของเราเป็นยังไงความดีความชั่วมันเป็นยังไงเพราะเหตุใดเราจึงต้องประพฤติอย่างนี้ใช่ไหมฮะจริงไหมล่ะที่สอนอย่างนี้เออเห็นด้วยจะเห็นด้วยก็เอานะประพฤติตามมันจะได้เป็นประโยชน์อะไรอย่างงี้แม้มันรู้สึกว่ามันต้องใช้หัวสมองอยู่ด้วยเลยใช่ไหมเน่ยก็เพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีไอ้ระบบอันหนึ่งที่เป็นแกนไว้ก็คือ จิตสำนึกในการฝึกตัวเองระหว่างระบบสังคมให้เอื้อต่อการฝึกฝนพัฒนาถ้าไม่มีระบบการฝึกฝนพัฒนาเรียนรู้จบเลยถูกไหมสาสนิกต่อมานี่ยังอาศัยรูปแบบไนะมันอกลายเป็นรูปแบบอื่นซึ่งอาจจะไม่เอื้อต่อการฝึกเด็ดซ้ำเป็นแต่เพลงรูปแบบทางวัฒนธรรมประเพณีว่ามาวัดวันนั้นมีประเพณีพิธีกรรมวันสําคัญอย่างนั้นอะไรนี้ใช่ไหมก็เหลือรูปแบบนี้รักษาไว้ ทีนี้ไอ้ระบบที่แท้คือระบบการที่จะวางแนวทางในการฝึกฝนมนุษย์ให้เรียนรู้เนี่ยมันเหลือน้อยนะเมื่อมันเหลือน้อยแล้วทีนี้ศาสนิกไม่ได้เรียนเลยไม่ได้เรียนรู้หลักของพระศาสนาทีนี้มันไม่มีไอ้อย่างที่ว่าหลักความเชื่อตายตัวข้อปฏิบัติตายตัวมันแทบไม่มีนในพุทธศาสนาสําหรับคารืหัดใช่ไหมต่อไปก็ลางจางไปหมดไม่รู้พุทธศาสนาคืออะไร ก็เหลือแต่รูปแบบที่มาทางประเพณีวัฒนธรรมเท่านั้นใช่อย่างเหลือเป็นการยกชอ่อฟาโบทเนะีภาภาภา่ยอพระประธานใช่หหรือว่าไปถวายสังกทานเนี่ยพุทธศาสนาดีไม่ดีก็เลยเหลือพระเครื่องเรถ น, ะนำมนต์ทีนี้ชักใกล้ออกไปาศาสนาอื่นแล้วใช่ไมไม่รู้ปนอ่อนลวพุทธศาสนาคือ อะไรหรือว่าอยู่ทึกตรงไหนต่างอย่างศาสนาอื่นอย่างไรแย่งไม่ออกนะต่อไปต่อไปก็ถูกกลืนสิใช่ไหมเมื่ออย่างพุทธกับฮนะินดูเนี่ยพอศาสนิกชนไม่รู้หลักการพระศาสนาจับหลักไม่ได้นะัแม้แต่พฤติกรรมหรือเรื่องเดียวกันมันก็ความหมายคนละอย่างใช่ไหมเพราะเขาแยกความหมายไม่ออกไอ้รูปแบบมันเหมือนกันอยู่แล้วนี่มันก็ไปเลยรูปแบบก็พาจูงไปสู่ความหมายที่นอกพูทธศาสนา พ่าอผู้อ <no p Obrig illions> ่าครับผมขอโทษคือในความิดที่ความคิดเห็ส่วนตัวรบได้หมดนะครับผมคิดว่าอย่างนี้เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งคือเป็นความจริงอย่างหนึ่งเรือเปล่าที่ทุกสิ่งทุกอย่างเื่อคือหมายว่าถสุดสุดที่สุดก็ต้องมีจุดต่ำที่สุดอย่างเช่นคนจะชนะในชีวิตเดียวกันแต่ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือผู้ที่ปฏิบัติกาถ้าเกิดผู้ใดปฏิบัติได้ถึงแกคือจะก็จะเป็นประโยชน์ครับบุคคลผู้ผอ่านใช่หรือเปล่าคือไอ้นี่เป็นการพูดแบบสรุปจากไอ้สิ่งที่เคยเป็นมาเรามักจะพูดอย่างเงี้ยเหมือนจะเลื่อนสูงสุดแล้วก็ลงอะไรเงี้ยคล้ายๆว่าเป็นหลักอันนี้จังแต่เปอันนี้จังเทียม คือนิจจังก็หมายความสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆใช่ไหมเปลี่ยนแปลงเราก็เลยอ๋อที่ว่าเปลี่ยนแปลงมีการเกิดดับโอ้ทั้นั้เจริญแล้วมันก็ต้องเสื่อมได้ใช่ไหมเราก็เลยมองไปในแง่นั้นแต่ที่จริงที่ว่าเสื่อมเจริญนั้นไปเป็นไ ป, นปนตามเหตุปัจจัยทําไมที่ว่าเจริญสูงสุดแล้วมันเสื่อมก็เพราะอย่างที่ว่าพอมันเจริญแล้วมันสุขสบายมนุษย์วิกิเลสใช่ไหมมันก็มีความโน้มเอียงที่จะนอนสวยสุขตกอยู่ในความประมาท ไอ้ตัวเหตุที่ทำให้เสื่อมคือความประมาทอันนี้ถ้ามนุษย์เป็นคู่ฝึกตนเองจริ ง, รงๆใช่เขาก็จะใช้สติปัญญาคุณธรรมมาทำให้ตัวเองไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทมันก็รักษาความเจริญไว้ได้ก็เจริญต่อไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตัสวันนี้มนุษย์เนี่ยฝึกฝนพัฒนาได้แล้วก็ถ้ามนุษย์ไม่ประมาท ก็ไม่จำเป็นจะต้องเสื่อมพระพุทธเจ้าตรัสว้งี้ยใช่ไมทีนี้ว่ามนุษย์ปุตุชนมันมีกิเลสมันก็มีความน้มเอียงที่ว่าจะประมาทพอจเจริญมากแล้วสบายมันไม่มีอะไรบีบคั้นนี่ไม่มีภัยคุกคามมันก็ประมาทก็ปล่อยปละละเลยเฉ่ชยชามัวเมาใช่แล้วจากความมัวเมาลุ่มหลงนั้น ม, ม, มันก็เสื่อมเเหมือนอย่างโรมันนี้พอจเจริญขึ้นมาแล้วทีนี้ลุกอย่างมีพลั่งพร้อม พวกโรมันเป็นไงล่ะเสพสุกกินเหล้าเมายากราถูกมฮะรุ่มหลงแต่สิ่งเหล่านี้ก็อ่อนแออ่อนแอมาก็บาเบเรียนเข้ามาตีแตกใชอ่อันนั้นมันก็เกิดจากมนุษย์นี่แหละมันก็เป็นกระแสที่ความเป็นปุตุชนคือมีกิเลส ข, ของตัวเองแต่ว่าทั่วไปก็คือมีหลักการว่าสำหรับมนุษย์ปุตรชนนะสำหรับมนุษย์ุชนคือผู้มีกิเลส เมื่อถูกทุกข์บีบคั้นไผ่คุกขามก็ลุกขึ้นดินหล น, นขนควายพอสุขสบายก็นอนสเสวยสุขใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ทุกข์บีบคั้นไผ่คุกขามนี่ทำให้คนเจริญนะเจริญก้าวหน้าพอสบายและมีหวังเสือ่อนมะก็จะนอนเสพสุขก็จะเกียรคลานชื้ชาเรียนถามนั่นคุณอาจารย์ไปถามถาบางทนแล้วจะมีหม่ครับที่ว่าก ขณพระเจ้กลายเป็นพู้ถจักรมั้งอ๋อก็ก็เชื่อกันว่าในสมัยพระเจ้าโศกเป็นใช่ไหมพอพระเจ้าโศกนี่มีประวัติของการที่ต่อสู้มามากแล้วพอมาเปลี่ยนก็เลิกเลยสงครามหยุดทันทีแล้วก็ใช้ทรัพยาอำนาจเปลี่ยนมาเป็นเครื่องมือของการสร้างสรรค์ไปใช่ไหมก็สร้างสรรค์สร้างวัดวารามเป็นศูนย์กลางการศึกษา แล้วก็สร้างถนนหนทางสร้างโรงพยาบาลสร้างสวนปลูกปา่าอะไรขุด อ, อ, อะไรนะอ่างเก็บน้ําอะไรต่างๆเหล่านี้ทำเป็นการใหญ่ใช่ไหมอันนี้ในแง่หนึ่งมันก็ดีที่ว่าพระเจ้าโศกเคยมีอํานาจมากคนมันก็กลัวมกันใช่ไหมในในแง่ของการสบถุสุขมันก็เลยไม่ค่อยประมาทนะีก็ใช้สิ่งที่สร้างสรรค์นในทางที่เป็นประโยชน์ได้ ศาฒนาคิดนครับเขามีมีคิศัจจนะคือแยกแยกของจากชาเราจอะไรทั้งทุกอย่างคือก็กลายเป็นเด่นขึ้นมาอสาสนาพวกนี้มีพุทธจักรคไม่มีชั้นชั้นไม่มีชาติไม่มีอะไรนจะเป็นไปได้ครับคือเปิดหน้าเปั่วยโลกขึ้นต้นจาพุทธจักรก็มันอยู่ที่ชาวพุทธเองจะมีความสามัคคีแค่ไหนด้วยแต่ตอนนี้ชาวพุทธ แต่ละประเทศเนี่ยมันไปอยู่ในประเทศที่เรียกว่าถ้าเทียบกันในยุคสมัยที่ผ่านมามันอยู่ในประเทศที่เรียกว่าเป็นฝ่ายด้อยใช่ไหมฮะคือขาดแคลนทางวัตถุมากกว่าขาดกําลังพวกทางด้านอํานาจทางวัตถุเพราะฉะนั้นก็ก็เลยไอ้ภาวะด้อยนี้ก็ทําให้คนในประเทศของตัวเองเนี่ยหันมองไปทีมข้างนอกถูกไหมฮอย่างคนไทยเนี่ย คนไทยเองก็จะมองไปหาเมืองฝรั่งไม่ได้มองเห็นคุณค่าเมื่อไม่เห็นคุณค่าก็ไม่มีความคิดที่จะมาร่วมมือเอาใจใส่หรือการที่จะเชิดชูนะเพราะสายตามันมองออกไปข้างนอกหมดงานประเทศไทยยังเป็นหลายนิกายหลายอะต่ออะไรมากก็มีเสียงกาก็มีคือว่าขนาศาสนาพุทธสันติเรือมแรกไปกนาดใหญ่ก็คงไม่ถึงถึงหมาย เป็นตามเนทานของพระเจ้าชื่ออะไรใเปิดแค่ก kind of ็คือจะให้เป็นแบบว่าเหมือนกับอาณาจักรเนี่ยคงเป็นไปได้ยากนะแต่ว่ากลายให้เป็นแต่ในแง่ของนามธรรมว่าทําไงจะให้คนเนี่ยได้มีจิตใจที่ดีงามมีปัญญารู้เข้าใจสิ่งต่างๆและอยู่กันได้ดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นดินแดงของธรรมะไปเองโดยไม่ต้องมีตราใช่ไหมถ้าไปได้อย่างงี้ก็ใช้ได้อยู่ ที น, นี้ปัญหาก็คือว่าชาวพุทธเองเนี่ยรักษาหลักการได้หรือเปล่าเข้าใจหลักการของศาสนาของตัวเองไม่แค่นี้ก็แย่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้ขนาดนี้ก็คือว่าปัญหาอยู่ที่พื้นฐานเลยว่าทําไงชาวพุทธจะรู้หลักการของพุทธศาสนาและประพฤติปฏิบัติให้เข้าแนวทางอันนี้เรื่องความเจริญความเสื่อมก็อย่างที่ว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่ามันอยู่ที่ความประมาทและไม่ประมาทนี่ถ้าหากว่ามนุษย์ พ้นจากภาวะปุถุชนที่ต้องใช้ทุกบีบคันภายคุกขามมาเป็นตัวเร่งแล้วก็พอสุขสบายแล้วก็ไม่ไปตกอยู่ในความประมาทเสียก็เรียกว่าไม่ประมาทด้วยสติปัญญาคือหมายความว่ามีสติรู้ทันเหตุการณ์ต่างๆอะไรจะทาให้เกิดความเสื่อมก็แก้ไขโดยไม่รอช้าอะไรจะทำให้เกิดความเจริญก็สร้างสารรค์ใช่ไมโดยที่ว่าไม่มีไอ้ตัวความขี้เกียจ ความเฉ่อยชาเกียดข้นมาเหนี่ยวรั้งดึงไว้ทําในสิ่งที่คนทําแล้วก็ใช้ปัญญาจัดการไปเลยใช่ไหมอย่างนี้มันก็ไม่เสื่อมท่านบอกว่าท่านก็รับประกันว่าถ้าคุณไม่ประมาทคุณก็ไม่เสื่อมนะแต่คุณจะทําได้ไหมละ่ะนี่คุณมันทําไม่ได้นี่พอมันสบายเข้ามันประมาททุกทีมันก็เลยต้องตกอยู่ในวงจรเกี่ยความเสื่อมอย่างที่ท่านโอรัทว่าใช่ไหมไอน้นี้กิเลสตัวนี้ที่ยาก ก็เลยเคยพูดบอกว่าเนี่ยความไม่ประมาทด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์การพัฒนามนุษย์โดยมองในแง่สังคมว่าสังคมมนุษย์จะอยู่ได้ไหมดูที่ว่ามนุษย์จะมีการพัฒนาโดยทั่วๆไปถึงขั้นที่อยู่ด้วยความไม่ประมาทด้วยสติปัญญานี้ได้หรือเปล่ า, างมืนอไงมันก็ต้องอยู่ในวงจรเนี่ยพอทุกบีบขั้นภัยคุกคามก็ดุกขึ้นดินลนขดขวายปสบายก็เสพสุ ก็แควนวัชีกับมคตก็สู้กันใช่ไหมในสมัยพุทธกาลวัชีนี้เข้มแข็งมคตตีไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะว่ า, าเป็นนักรบนะไม่ประมาทพระพุทธเจ้าตรัสที่ยกมาไว้ในหนังสือเนี่ยน อ, นอกจากอปริหานิยธรรมแล้วนะฮะแล้วก็ยังเรื่องของไม่ประมาทฝึกซ้อมศิลป ะ, ปะอยู่ตลอดเวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสบักเวลานี้ พวกเจ้าลิชวีทั้งหลายนี่นอนหนุนหมอนไม้นะ mm hmm. แล้วก็มันฝึกซ้อมศิลปะการรบตลอดเวลาเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นพระเจ้าชาติศัตรูไม่มีโอกาสเลย mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. แต่ต่อไปเจ้าลฤชวีทั้งหลายนี่ก็จะนอนจนตะวันดวง mm hmm. ใช mm hmm. แล้วก็นอนฝูกนอนเลยสบายมีความสุขนะไม่เอาใจใส่ในการฝึกซ้อมศิลปะใช่ไหม ก็อ่อนแอพระเจ้าชาตศัตรูก็ได้ช่องนี่นี่มันเป็นลักษณะทั่วไปของมนุษย์เลยนี่มันก็เลยต้องอาศัยปัจจัยโน้นปัจจัยนี้มาประกอบถ้าไม่ใช่ปัจจัยภัยคุก ค, คามบีบคั้ น, นก็ต้องมีระบบที่ดีหรือมีผู้นําเข้มแข็งเช่นมีผู้นําที่เข้มแข็งคนเชื่อหมดใช่ไหมแล้วผู้นํานี่มีหลักการแกก็จะทําให้คนนี้ไม่อยู่ในความประมาทได้เหมือนกัน แต่บางทีการที่เชื่อผู้นำบางทีก็เป็นเพราะมีภัยอีกแหละใช่ว่ามีภัยบีบคั้นจากภายนอกใช่ไหมทำให้คนยอมรับผู้นำนี้ได้ดีขึ้นถูกไหมเนี่ยถ้าไม่มีภัยคุกคามบีบคั้นอาจจะไม่เกิดผู้นำนี้ก็ได้ใช่ไหนั้นปัจจัยเรื่องของมนุษย์นี่มันซับซ้อนพอสมควรแต่ว่ารวมความก็คือโดยหลักใหญ่ก็อย่างที่ว่าสหรับมนุษย์ปุตชช น, นี้ต้องมีภัยคุกคามทุกบีบคั้น ก็จะยินรนขนไควยถ้าสุขสบายก็นอนเสพสุขนี่ก็ทําไงจะให้มนุษย์พ้นวงจรนี้พระพุทธเจ้าก็ย้ําเรื่องความไม่ประมาทไม่ประมาทไม่ประมาทใช่ไหมฮะแล้วมนุษย์จะทําได้ไหมตรงเนี้ยนถ้าทําได้พระพุทธเจ้ารับรองบอกถ้าท่านไม่ประมาทรับรองได้ท่านไม่เสื่อมอแต่ท่านจะปฏิบัติได้ไหมทีนะี้บางคนปฏิบัติได้แต่สังคมทั่วไปมันไม่ยอมปฏิบัติใช่ไหม ปฏิบัติสิบคนไอ้ห้าพัคนมันไม่เอาด้ว ย, ยมันนอนสบายมันดื่มแต่สุราใช่ไหมนีพอมันสบายมันก็มาตั้งวงเหล้ากินกันแหละใช่มแต่ตัวปฏิบัติก็ไม่เสื่อมนะครับไหนเสื่อมก็เสื่อมเฉพาะสังคมแต่ตัวปฏิบัติสิ่งที่เไม่ประมาทเขไม่เสื่อมใช่ไหมไหนใ น, ในกรณีที่พระเจ้าอ๋อตัวคนไม่ประมาทเขาไม่เสื่อมในท้องตัวของเขาอ่า ใ, ในในแง่ของบุคคลแล้วก็ว่าไปเฉพาะตัวอีกทีแต่กัสังคมก็ู้ ก็เพราะว่ามันโดยคนส่วนใหญ่ผู้เรีนทุกท่านอาจารย์ครับขอย้อนกลับมาที่อนิจจังนิดนึงครับไม่ทราบว่าที่ผมผมต้องการจะสอบาำความเข้าใจว่าที่ผมเข้าใจนี่าบ่าถูกหรื่ถูกเพรอนิจจังแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นตามธรรมดานะครับผมก็คิดว่าที่การมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นตามธรรมดาเนี่ยโดยมากที่หลังๆมาพูดว่ามีเจริญสูงสุดแล้วก็มีเสื่อมสูงสุดแล้วใครก็คุ้นๆน่าเป็นอนิจจังเทียมนั่นผมผมเข้าใจแต่ถ้าผมเขาพูดว่า มีการเปลี่ยนแปลง ไ, ไปเป็นตามธรรมดาเนี่ยจริงๆแล้วต้องพูดว่ามีการเกิดและมีการดับเนี่ยออันนี้จะถูกต้องกว่าไหมครับว่าทีท่ที่ว่าไอ้อะไรนะอันนี้จังเทียมนะเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวอนิจจังหรอกเพราะนิจจังมันยังคงที่ตามเดิม น, นิจจังมันแน่นอนก็คือว่าในความเจริญที่มันเจริญอยู่นั่นก็คืออันนิจจังนะครับไม่ได้หมายความว่าเจริญแล้วเสื่อมจึงเป็นอันนิจจัง จเจริญแล ะ, จะเจริญต่อไปก็อันนี้จังเพราะว่าสิ่งทั้งหลายมันต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแหละแล้วยิ่งในท่ามกลางสงภาพแวดล้อมที่มันจ ะ, จ ะ, จะเจริญอยู่ได้เนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะมันจึงอยู่ได้ใช่ไหมเพราะว่าไอ้เหตุปัจจัยที่มันจะดึงให้เสื่อมมันมีอยู่การที่จเจริญอยู่ได้นี่แสดงว่าอันนี้จังเต็มที่เลยน ะ, จะเจริญต่อไปหรือจเจริญยิ่งขึ้นไป หรือเสื่อมแล้วก็เสื่อมต่อไปก็อันนี้จังเท่านั้นอ่ะนะเสื่อมก็เสื่อมก็จะอันนี้จังไม่ได้มีพลไปหรอกเพราะฉะนั้นโดยหลักธรรมะความเป็นจริงตามธรรมชาติแล้วอันนี้จังตลอดเวลาไม่ว่าเสื่อมหรือเจริญนีหมายความว่าเสื่อมแล้วเสื่อมต่อไปก็อันนี้จังเจริญแล้วเจริญต่อไปก็อันนี้จังเสื่อมแล้วเจริญก็อนนี้จังเจริญแล้วเสื่อมก็อันนี้จังเท่านั้นแหละคือคือที่ผมคิดนะฮะท่าเจริญแล้วเจริญต่อไปเนี่ยนะฮะ มันเป็นไปได้แต่มันยากผมคิดว่เป็นสังคมสาหรับะระยะบุคคลในขณะที่เจริญแล้วเสื่อมเนี่ยนะฮะมันเป็นไปได้โดยส่วนใหญ่อ้าวก็แน่แหล ะ, ละก็ประมาทไงขอผู้ดชนของผู้ดูช น, ชนใช่ใช่ครัถ้าในักศกษที่เราจะคิดเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเจริญแล้วเจริญต่อในเร่เข้าใจเหตุปัจจัยและทาเหตุปัจจัยก็ต้องไม่ประมาทไงอาก็ต้องเป็นสังคมของระยบุคคลอ่าต้องไม่ประมาท ทีนี้เจริญแล้วเสื่อมมันก็เป็นธรรมดาของปุตุชนพูดง่ายๆถ้าเราจะใช้คําว่าธรรมดาให้มันมีตัวจํากัดขอบเขต <Okay. S 1> ว่าปุตุชนมันเป็นอย่า ง, งานั้นพอมันสบายเจริญแล้วมันก็มีความโนมเอียงที่จะประมาทแต่ที่เหตุที่มันเสื่อมก็เพราะประมาทว่า ง, งั้นเถอะนะ่เต้องพูดอนิจจังเหนือเฉพาะว่ามีเกิดและมีดับนี่ไม่ทราบว่าผิดไหมฮะอ๋ะออนิจจังนั้นก็คือเกิดดับการที่สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป okay. แต่ว่าจะมาใช้กับไอ้คำศัพท์ว่าจะิศและเสื่อมเพราะาเดี๋ยวมันจะสับสนเพราะอันี้เป็นคำหวงคำหลวงสมองนี่ว่าจะเิศและเสื่อมนีแล้วก็ขอย้อนกลับมาเนี่ยครว่าเมื่อความไม่ประมาทนะพระพุทเจ้าตัก็เป็นขาชิมวาจาแล้วก็ยังบอกว เ, เป็นทําที่รอยเท้าช้าง น, น, นะครับ อ, อตอนนี้ผมก็กลับมาตั้งข้อสงสัยอีกว่า ในเมื่อความไม่ประมาทเนี่ยมันคอยคุมตัวอื่นนะฮะแล้วก็เป็นตัวสติปัญญาที่คอยดูอย่างอืง่นด้วแต่ตัวความไม่ประมาทเองมันจะมีอะไรที่จะคอยคอยช่วยตัวความไม่ประมาทนี่ยความไม่ประมาทท่านบอกว่าการเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติแหมสติเป็นตัวนี้นะสตินี่เลยจะเป็นตัวทําให้ไม่ประมาทมันไม่เทีเท่ากันเลยถ้าางความมีสติพร้อมความไม่ประมาทเนี่ยในความรู้สึกของผมคือมนันเหมือนหนึ่งจะเป็นตัวเดียวกันต้องมีสติตลอดเวลาก็คือความอย่างความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม ความไม่ประมาทนี่มันเร็งที่สภาพชีวิตการเป็นอยู่ใช่ไหมเช่นออกมาทางพฤติกรรมการดําเนินชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยนี่เรียกว่าไม่ประมาทแต่ว่าไอ้ตัวที่ทําให้มีชีวิตอย่างนี้ดําเนินชีวิตอย่างเนี้ยคือตัวอะไรก็ตัวสติถูกไหมตัวสตินี่เป็นองค์ทำเป็นคุณสมบัติเป็นพื้นรองรับความไม่ประมาทนี่อยู่พอจะแยกได้ไหมฮอ้อออาว สตินี่เป็นตัวคุณสมบัติประกอบอยู่ในจิตใจใช่ไหมเน่ยมันคอยรับรู้คอยคอยที่จะทันตื่นน่ยคอยที่จะระลึกคอยนึกไว้เพราะสติก็แปลว่าวนึกระลึกใช่ไหมคอยนึกคอยระลึกถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นไปอยู่ทีนี้พอเราตื่นตัวระลึกนึกถึงรับรู้สิ่งต่างๆ แล้วเอามาพิจารณาสติมันทำงานคู่ปัญญาใช่ไหมสติมันระลึกมันนึกมาแล้วมันก็ส่งให้ปัญญาไตรตรองนะวินิจฉัยว่าอันนี้จะเป็นเหตุให้เกิ ด, กดความเสื่อมอันนี้จะเป็นเหตุให้เกิดความเจริญและจัดการไอการที่ว่ามีการใช้สติแล้วก็ดำเนินการไปตามสตินี่เรียกว่าความไม่ประมาทถูกไหมนึมกการหมายถึงการเป็นอยู่การดาเนินชีวิตของบุคคลก็ตาม หรือขยายออกมาสังคมก็ตามการดำเนินชีวิตที่เป็นไปตามสตินั้นสติมันเป็นตัวเป็นเพียงคุณสมบัติในใจเท่านั้นเองแต่ว่าความไม่ประมาทนี่เป็นการดำเนินชีวิตเลยการเป็นอยู่เข้าใจใช่ไหมคือผมเคยลงเข้าใจครว่าความไม่ประมาทนี่เป็นชื่ อ, อชื่อหนึงของสติแต่เป็น เ, ออเปน อ, เออะไร เป็นลักษณะคือเราเรียกหมดทำอาจจะเรียกชื่อต่างกัน<แ>ตาม ล, ลักษณะปัจจัยหรือก็เหตุแ ล, ล, ละผลของมันะมันเป็นอาการแสดงออกของสติพูดอย่างนั้นได้ เ, าาเมื่อมีสติแล้วก็จะทำให้มีลักษณะการดำเนินชีวิตมีความเป็นอยู่เริ่มตั้งแต่ด้านจิตใจความคิดเป็นต้นที่เป็นอาการของความที่มีสติถูกไหมครับนะเมื่อมีสติแล้วมันก็ต้อง มีการเอ อ, อลึกเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วนึกเรื่องนี้แล้วมันจะเป็นยังไงล่ะนะก็ต้องมีการคิดการว่าเอออันนี้เกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดความเสื่อมนั้นไม่ได้ต้องหาทางแก้ไขอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไอพฤติกรรมความเคลื่อนไหวในทางจิตในทางความคิดก็เกิดขึ้นเสร็จแล้วก็ออกมาสู่พฤติกรรมการกระทําเราเรียกง่ายๆว่าความเป็นอยู่หรือการดําเนินชีวิตใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านจงให้คําจํากัดความความไม่ประมาทว่าคือการเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติใช่ไหม หรือการพูดง่ายๆการอยู่อย่างไม่ขาดสติแยกได้แล้วนะฮะเป็นสตินี่เป็นคุณธรรมข้อที่กว้างมากอย่างเช่นอย่างยกตัวอย่งอางอย่างการแต่ยักนี่ก็ต้องใช้สติในการาก่อนสติเป็นตัวจุดประกายเป็นตัวเริ่มต้นน่ะเป็นตัว <Okay. S 1> เริ่มงานไม่ทําเขาประหมุ่ดไวหมดคสติเป็นธรรมมีอุตกาละ8ป0 0 0สี่พันพระธระรมขันธ์ถ้าไม่มีสติทีเดียหมดใช่ไหมฮะ เขาเขาบรรยัตไปนล้วเดีย๋ยไปเรียกกับบัญญัตหลวง ล, งลงุงหมายความว่าท่านแสดงความจริงตามที่มันเป็นไม่มีสติไม่ได้มดไม่วาลน ะ, ะนี่ก็เป็นอันว่าสตินี่เป็นตัวที่ช่วยเริ่มต้นให้หว่าส่งงานให้ปัญญาพูดง่ายๆพอสติมาระลึกมันนึกถึงอะไรปั๊บปัญญาก็มารับช่วงออกไปพิจารณาใช่ไหม ก็สติมันรละลึกแหละเอ๊ะเวลานี้มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วมันรู้ทันทันต่อเหตุการณ์น่ะสติทําให้ตื่นตัวทันต่อเหตุการณ์เพราะอะไรเกิดขึ้นมันจับดูหมดดึงเอามาดูจับเอามาดูระลึกก็คือจับเอามาดูแล้วก็พอดูก็คือปัญญามาแหละใช่ไหมจับเอามาให้แล้วปัญญาก็ดูพิจารณาเอา้อไอ้นี่ไม่ได้ละเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนี่ ปล่อยไม่ ไ, มได้ไมีหวังทําให้เกิดความเสื่อมต้องรีบจัดการใช่ไหมหรือว่าเออเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาไอ้สติจับมา ป, ปัญญาบอกเลยไอ้นี่ดีนี่เนะีนะีเป็นโอกาสแล้วถ้าเรารีบทําอย่างนั้นนี้แล้วจะเกิดความเจริญใช่ไหมพอปัญญาบอกนี้ก็ดำเนินการเลยใช่ไหมอย่างนี้เรียกว่าไม่ประมาทคือสติมันทําให้เป็นตัวที่เราไม่พลาดพลั้งไปสู่ความเสื่อม แล้วก็ทำให้ไม่เสียโอกาสในความเจริญนะแต่นี้คนเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องนี้อา้าวท้งทางที่มีเหตุปัจจัยจะให้เกิดความเสื่อมมันก็ขี้เกียจนอนใจผัดเพียนอีกใช่ไหมนี่แหละประมาทมันก็มานะแล้วก็ทั้งทงที่ว่ามีเหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นที่จะให้เจริญงอกงามทาอะไรได้ผลดีมันก็ ไม่ใช้โอกาสนั้นเพราะมันประมาทสิใช่ไหมมันก็เฉื่อยชามันสบายสัเนี่ยมันก็ผัดเพี้ยนไปใช่ไหม oh. ไอการผัดเพี้ยนเนี่ยสําคัญอย่างยิ่งเลยนะในหมู่มนุษย์ใช่ไหม mm. พะเราไม่มีเหตุบีบคั้นเนี่ยอย่างที่ว่าทุกข์ไม่มีเนี่ยมันมีความโน้มเอียงจะผัดเพี้ยนตลอดเวลามันก็เลยต้องฝึกกันทําไงจะฝึกคนให้เป็นคนที่มีนิสัยเลยไม่ประมาทโดยนิสัยนะีแต่ว่าเมื่อสติ จับเรื่องมาให้ปัญญาบอกแล้วว่าอันนี้ควรจะ ท, ทําทำนะถ้าอย่างนี้ได้แสดงว่าไม่ประมาทสตินี้เกิดจกการรอหลองกันก็สติมันก็เป็นคุณสมบัติอยู่ในใจนี่แหละที่เราคอยเราลึกคอยนึกคอยเราลึกคอยนึกไว้นะ่ไม่ปล่อยผ่านใช่ไหมถ้าปล่อยผ่านก็แสดงขาดสติมีอะไรเกิดขึ้นนะ่มีความเป็นไปอะไรที่ มันจะก่อความเสื่อมมันก็เกิดขึ้นมาปรากฏแก่สายตาของเราบางทางหูได้ยินบางแล้วเราก็ปล่อยผ่านไม่เอาใจใส่แสดงว่าสติไม่เอาเรื่องแหละใช่มอนนี่เมื่อเราใช้มันบ่อยสติมันก็เกิดบ่อยใช่มมันก็มีความน้มเองที่จะเกิดขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่เอาใจใส่ก็คือไม่ใช้สติเมื่อไม่ใช้สติมันก็เลยกลายเป็นความเคยชิน ก็กลายเป็นนิสัยปล่อยปละแล้วเลยความหมายระบียบามกสอคือการระลึกรู้สติกระลึกไม่ไม่ต้องรู้ยังไม่ต้องรู้สติระลึกนึกภาษาไทยแบบง่ายๆก็คือนึกแล้วภาษาไทยจะมีคู่นึกคิดท่านคิดแสดงว่าไปถึงเรื่องปัญญาแล้วนึกนี่มันเรื่องสตินึกนี่มันยังไม่ต้องคิดนะใช่ไหมนึกถึงนั่นนึกถึงนี่เนี่ยสตินึกเรื่องว่าเออ ปัญญาของคนคนโบราณก็เก่งนะฮะก็อย่างคําว่าสติปัญญาสติสัมปชัญญะหรือว่าสติสมาธิก็คือเอาสตินําหน้าเสมออ่ะก็มาในบาลีเลยสติปัญญาสติสัมปชัญญะมาคู่กันนะเพราะว่าเจ้าจะสองตัวนี้ต้องทํางานด้วยกันเดี๋ยเว่าสติสัมปชัญญะเนี่ย บางทีพูดตัวเดียวก็เป็นอันหมายรู้ทั้งคู่เลยหมายเล็งคล้ายๆว่า LEFT AS UNDERSTOOD ู <laughs> ี่หมายเพราะว่าในทา ง, ทางในทางศาสนาคนระับรู้กันว่าหมายถึงว่าอ๋อสัมพััญญาด้วยเรนะาจสติมันไม่ได้มีหน้าที่รู้หรอกมันแค่จับอารมณ์มาให้คือนึกหรืออะึก แต่ว่ามันอาจจะมีใครๆรู้ในกรณีที่ว่าเรื่องนั้นมันเป็นผลงานของปัญญาเก่าที่เก็บไว้ในความทรงจาเรียกมาใช้อ้าวมันก็มีไอตัวความรู้คือความรู้เดิมที่เป็นผลงานเดิมของปัญญามันก็ระลึกมาใช้ได้เลยระลึกสิ่งที่ได้ใช้ปัญญาเสร็จเรียบร้อยไปแล้วใช่เป็นผลผลิตของปัญญาเก่า ทีนี้ไอ้ผลผลิตของปัญญาเก่านี่มันพร้อมที่จะใช้งานเวลาเกิดสถานการณ์แบบเดียวกันก็เรียกใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นสติในบางกรณีก็เหมือนก็มีปัญญาอยู่ด้วยเพราะว่ามันเรียกเอาสิ่งที่เป็นผลผลิตเก่าก็าที่อสัญญาเก็บเอาไปไว้นะสติมันก็เลยมีความซับซ้อนในตัวของมันเหมือนกันนะพอเราระลึกพอเราสัญญากําหนดหมายอะไรปับ๊บไอ้สัญญานี่ก็เรียกเก็บ เข้าเป็นความทรงจําไว้พอเก็บเป็นความทรงจําไว้ไอ้เจ้าสติก็ระลึกขึ้นมาใช่ใชไหมจะใช้สํานวนคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไรเรียกเก็บข้อมูลสัญญาไม่เรียกเก็บข้อมู ล, ญญามากกมลใช่ไหมไอ้สติมาเรียกใช้ข้อมูลใช่ไหมปัใญสติมันก็เป็น Re ทรีฟเวอรใช่อ้าววันนี้ก็เลยเป็นรายการสนทนาก็ดีแล้ว คือถ้ามีอะไรสงสัยก็มาคุยกันแบบนี้นะแทรกบ้างคิดว่าถ้ามีอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ใช้ในชีวิตประจําวันใช้ปฏิบัติจริงเราเมาคุยกันนะฮะเนก็ยังสงสัยอยู่นะว่าอย่า ง, งบนฝาทแล้วย้อนกลับมาถึงเรื่องบนฝาทของสังฆะนะฮะว่าอย่างยกตัวอย่างประเทศใกล้เคียงเราประเทศมาหรัที่มีศาสนาพุทเนี่ยในบางครั้งเนี่ย ที่สุด ข, ของศาสนาพุทธในพม่าเนี่ย<ม>เป็ น, นขนักอามรุนระลงเคลื่อนไหวต่อตบต้ากับรัฐบาลหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยอืมถ้าเรามองในด้วยสายตาของพุทธศาสนิกชนเนี่ยเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรแค่ไหนอืมก็ในฝ่ายประเทศเขาเองเขาก็มีปัญหาเหมือนกันนะเรื่องความขัดแยง้งแต่ว่ามันเป็ความน้องเป็ของสังคมส่วนใหญ่มันต้องดูภูมิหลังด้วย คือเดิมนั้นเขาก็คงไม่เกี่ยวข้องหรอกการเมืองอะไรเนี่ยนะฮะหรือของเราเนี่ยมันอาจจะเลยเถิดไปในทางตรงข้ามก็ได้เพราะเราอาจจะสุดโต่งเกินไปคือว่าพระก็เลยยอมรับการเมืองเอาง่ายๆก็ได้เหมือนกันนะใช่ไหมนี่ยอมยอมรับอำนาจเอาง่ายๆเลยแต่ว่ามันมีอยู่ขอบเขตหนึ่งที่เป็นบทบาทอันเหมาะสมของพระ แล้วว่าพระนี่ในแง่หลักการในแง่การสั่งสอนแม้แต่แนะนําผู้บริหารปกครองต้องเอาใช่ไหมเนี่ยพระพุทธเจ้านี่สอนเลยนักปกครองถูกไหมแต่ทีนี้ว่าในแง่การเข้าไปลงมือในบทบาทนี่มันเกินบทบาทพระแต่ทีนี้ว่าในพมา่านี่มันทําไมมันเลยไปก็ต้องดูภูมิหลังเขาด้วยเดิมเขาก็ อาจจะคล้ายๆไทยพอสมควรอาจจะไม่เหมือนทีเดียวแต่ว่าเมื่ออังกฤษเข้ามาปกครองเป็นเมืองขึ้นแล้วเนี่ยก็กดขี่ทีนี้พระนี่นะเป็นสถาบันที่มีพลังถึงยังไงอังกฤษก็ไม่ค่อยกล้าเหมือนกันเพราะว่าถ้าไปกระทบกระทั่งแล้วมันมีผลถึงแก่จะปกครองจะกดขี่แกก็ต้องอาศัยการที่ว่าไม่เกิดโทสัต ของประชาชนมากเกินไปใช่ไหม oh. ถ้าไปทําให้ประชาชนเกิดความรู้สึกรุนแรงขึ้นมามันอาจจะเอาไม่อยู่เพราะนั้นเขาก็ต้องคอยระวังแล้วก็ไม่เข้ามายุ่มยามกับสถาบันพระ oh. อาจจะต้องเข้ามาช่วยเกื้อหนุนบ้างตามสมควรหรืออาจจะใช้วิธีบีบแบบว่าโดยอ้อ oh. ม oh. ทีนี้พอพม่าจะกู้เอกราชเนี่ยชาวบ้านมันทําได้ยากเพราะถ้าใครทาขึ้นมาหือมันโดนปราบง่ายๆ oh. แต่ถ้าพระ ทำอะไรขึ้นมานี่อังกฤษต้องระวังทาทีใช่ไหมเา็นี้ชาวพมา่ามันไม่มีช่องทางอื่นชาวบ้านก็คล้ายๆว่ามาอาศัยพึ่งพระและให้ช่วยพระเองก็เห็นชาวบ้านไม่มีโอกาสก็ขยับตัวบ้างใช่เพราะนานๆเข้ามันจะเคยตัวแล้วมันก็ชักจะออกนอกขอบเขตมันกลายเป็นผู้นำชาวบ้านเลยดัง <c oughs> นั้นเพราะสถานการณ์นี้เอง สถานการณ์ของการดิ้นรนต่อสู้เพื่อเอกราชทําให้พระพระม่าและพระลังกาเนี่ยเข้ามาสู่วงการเมืองเ<ำ>จงกระทั่ง<ำ>พอได้เอกราชมาแล้วคนพมา่าคนลังกาเองแหละกลับเดือดร้อนที่ว่าพระนี่เลยเส้นใช่ไหมอ้าวใช่ไหมแต่ไอตอนที่กําลังสู้เพื่อเอกราชอนะ่ะชาวบ้านก็ชอบหนุนพระเลยเอาเลยทันใช่ไหมเพราะว่าตัวเองทําไม่ได้พระก็เลยกลายเป็นผู้นำทีนี้พอ นำในการต่อสู้เพื่อเอกราชเสร็จแล้วทีนี้พระไม่ถอยแล้วทีนี้เนี่ยก็เลยยุ่งมาจกนกระทั่งวันนี้พเจศคุณาจารย์ครับถ้าจะประวัติศสาสตร์ของสองประเทศนี้ที่เคยโดนคุกคามจาก<ช>กา ร, รานร่านานิคมขององังกฤษนะครับ<ช>แต่ปาตรากฏว่า2ประเทศนี้ออยงังสามารถรักษาศาสนาพุทธไว้ได้นี่พอจะเป็นเครื่องยืนยันได้ใช่ไหมว่ า, าศาสนาพุทธในสองประเทศนี้ต้องอยู่ในขั้นที่ไม่รอดเข้มแข็ง ก็มีความเข้มแข็งอยู่ว่าทุกคนคือว่าอันนี้มันก็เป็นนิสัยปุตชชนอันหนึ่งเหมือนกันนะฮะเมื่อมันถูกภัยภายนอกมาเนี่ยมันจะมีความปกป้องตัวเองสูงถูกไหม อ, อันนี้พอคนพมา่าคนลังกานี่ถูกกดขี่มันจะเกิดความยึดมั่นปกป้องตัวเองอะไรที่เป็นของฝรั่งปฏิเสธอะไรที่เป็นของชาติมันจะยึดมั่น น, นั่นเราจะเห็นได้ชัดเจดนว่าคนพม่าลังกาเนี่ยจะยึดถือในวัฒนธรรมประเพณีรุนแรงขนาดเสื้อผ้ายัางไม่ยอมใช้แบบฝรั่งใช่ไหมเนี่ยไอความยึดมั่นมันแรงมันเกิดแรงต้านมันพร้อมกับปกป้องตัวเองยึดของตัวเองก็แรงต้านฝรั่งเกิดขึ้นอะไรเป็นของฝรั่งไม่เอาใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างในเมืองลังกาเนี่ยคลิสก็เข้ามากะอาณานิคมใช่ไหมอาศัยอ า, ายนาจปกครองพยายามนักหนา แต่ก็ไม่สําเร็จใช่ไหมมันไม่ได้ใช้ถึงกับ ม, ม, มุสลิมมุสลิมมานฆ่าเลยนี่ใช่ไหมมุสลิมเนในะอินเดียเนี่ยมันเอาให้เลือกเอานักประวัติศาสตร์นักประวัติศาสตร์มุสลิมเองเขียนไว้อวดด้วยนะอวดด้วยความภูมิใจตอนที่ทําสงครามเมื่อพศ1700เนะี่ยที่เข้าเนะี่ยเข้าไปเผาร้างฆ่าเนะี่ยเขาบอกเลยเราได้รบพระเพื่อพระอัลละฮ์เขาว่างงานจริงๆนะเราได้ทําการนี้เพื่อพระอัลละฮ์เจ้า เราได้ไปทําการสําเร็จเราจับเขาได้เราให้เขาเลือกเอาระหว่างอันเลาะกับดาบว่างันถ้าเลือกอันเลาะก็อยู่เลือกไม่เลือกอันเลาะก็ดาบลงทีนี้มันหมดแรงความันหมดชีวิตไปเลยทีนี้ของพม่ฝรั่งมันไม่ได้ใช้ถึงขนาดนั้นใช่ไหมอันนี้ก็ไอแรงความบีบคั้นก็ยิ่งทําให้คนนี่ปกป้องตัวสูงยึดมั่นในตัวเองและปฏิเสธต่อต้าน นั่นในเมืองฝรั่งจะไม่มีค่านิยมโรงเรียนฝรั่งสูงเหมือนเมืองไทยใช่ไหมร่ง oh. กาไม่เอาหรอกโรงเรียนฝรั่ง <c oughs> ไ, มไม่มีค่านิยมที่จะต้องไปเรียนโรงเรียนฝรั่งแล้วมีค่าสูงอย่างเมืองไทยเ <c oughs> มืองไทยนี่โอ้โหใครได้ไปเรียนโรงเรียนฝรั่งแล้วก็แหมโก้ถูกไหมอ่าเ <c oughs> นี่ยคนไทยไม่มีแรงบีบคันกลับไปรับเขาเห็นเขาดีกว่าใช่ไหม เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยโลกมนุษย์ปุถุชนนี้ก็เลยพมา่าลังกาก็ไปยึดมั่นจนกระทั่งบางทีก็เลยเถิดกลายเป็นขัดขวางความเจริญของตัวเองเพราะอะไรที่เป็นของฝรั่งแล้วต้านหมดใช่แล้วจะต้องยึดมั่นอะไรเป็นของตัวก็ยึดเอาใช่มทางต่างๆที่ว่าไอ้สิ่งที่ยึดเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกแล้วก็ใดคนจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือสุดตรงไปอ <c oughs> ด้านก็สุดตรงไป ใช่ไทยก็สุดโตรงไม่เอาเขาตัวเลยนอะไรเป็นของไทยนี่ดูถูกหมดใช่ไหมเนี่ยต้องของฝรั่งเนี่ยมันไม่เป็นไปได้สติปัญญาถูกไหมถ้ามันอยู่ด้สติปัญญามันจะเกิดความพอดีอันนี้มันเป็นไปตามความรู้สึกนีเพราะนั่นนี่ก็คือเรื่องของปุถุชนมันถึงได้เข้าถึงคำสอนพระพุทธเจ้าอยากนักก่อนควก็จะเรตุลาธรมสัจชาย ว่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าพูดโดยสรุปเนี่ยการที่พระจะต้องเป็นผู้นําชุมชนในบางสถานการณ์บอย่างอย่างอย่างการที่ไปร่วมเรียกร้องสิทธิหรือว่าความชอบธรรมในบางอย่างเนี่ยถ้ามองโดยสายตาของพุทธศาสนิกชนเนี่ยต้องมองเหตุปัจจัยให้ครบใช่ไหมครัว่าการจะไปวิเคราะห์และตัดสินว่าเนี่ยพระไปทําอย่างนั้นแบบผิดวินัยผิดเป็นผิดอภิสมานาจหรือว่าอะไรเป็นการเป็นการด่วนลงความที่ผิดไปใช่ไหมครัก็มันต้องมองหลายชั้น มองในแง่รูปธรรมก่อนก็ระดับวินัยพอมาผิดวินัยไหมถ้าผิดวินัยก็ต้องยอมรับว่าผิดอันนี้ขั้นที่หนึ่งนะถือไม่มีเกณฑ์ตัดสินสองว่าในการที่ผิดของท่านนั้นเรามองในทางปัญญาอาจจะเห็นใจแต่เห็นใจแต่ก็ต้องเรียกร้องหรือรังท่านให้อยู่ในกอรอบคือมันจะมีเกณฑ์เป็นขั้นขั้นในขั้นของกติกาสังคมหรือกติกาของ ที่菩萨สนาวางไว้เป็นวินัยก็ต้องรักษาแล้เสร็จแล้วเราเห็นใจในการที่ท่านไปทํานอกเกินขอบเขตอันนี้เพราะเราเข้าใจเหตุปัจจัยแต่ว่าด้วยความเห็นใจนั้นจะทําให้เราปฏิบัติต่อท่านได้ถูกต้องดียิ่งขึ้นอพอเหมาะพอสมอ่าทีนี้ก่อนจะจบก่อนจะหยุดกันนี้ก็เกือบจะลืมไปอันหนึ่งก็คือว่าในเมื่อหมู่มนุษย์เนี่ย มันมีความโน้มเอียงที่เป็นไปตามกระแสกิเลสวิสัยปุตุชนเช่นว่าทุบวีบขั้นภยัยคุกคามลุกขึ้นดินลนขนขวายพอสบายก็จะนอนเสพสุขอะไรเนี่ยพระพุทธเจา้าจึงเน้นเรื่องหนึ่งก็คือว่าเพื่อจะให้ธรรมะเนี่ยเช่นหลักของสติปัญญามันได้ผลเนี่ยจึงต้องวางระบบสังคมทำไงเราจะวางระบบสังคมที่ได้ผลดีที่สุดที่จะช่วย ให้คนเนี่ยอยู่ในแนวทางที่จะเจริญได้ต่อไปเรื่อยๆนะที่ที่ทําให้เขามีชีวิตที่ไม่ตกลงไปในหลุมความประมาทใช่ไหมคือทําไงจะบางระบบชีวิตที่เป็นระบบชีวิตของความไม่ประมาทอันนี้แหละเป็นเรื่องของวินยัยอันนั้นเพื่อจะให้ธรรมะได้ผลว่าพระพุทธเจ้าจึงต้องสร้างระบบสังคมขึ้นมาเรียกว่าวินยัยนะ่ะ เป็นการจัดตั้งในสังคมมนุษย์เพื่อให้ธรรมะเนี่ยมาเกิดผลเป็นประโยชน์ดีที่สุดในสังคมมนุษย์นั่นจึงมีคู่กันว่าธรรมะกับวินัยซึ่งบอกไว้แล้วว่าจะพูดอีกตอนหนึ่งแต่ว่าเลยก็เอามาพูดเรื่อยๆนะดันั้นจึงต้องคู่กันพุทธศาสนาให้ความสําคัญเรื่องของระบบสังคมการจัดตั้งมากทีนี้ว่าชาวพุทธกลับเป็นคนที่ไม่มีความสามารถในการจัดตั้งอันนี้เป็นจุดอ่อนนะ ทนี้ใครจัดตั้งเก่งคนนั้นก็จะประสบความสําเร็จได้ดีแม้แต่ไม่ถูกต้องตามธรรมใช่ไหมทีนี้ทีนี้เราต้องการให้ระบบการจัดตั้งเนี่ยมันไปสอดรับกับตัวธรรมะนี่ที่เราต้องการว่าทําไงจะให้ธรรมะมออกผลในหมู่มนุษย์ด้วยการวางระบบการจัดตั้งที่มีประสิทธิภาพได้ผลที่สุดแล้วระบบการจัดตั้งนั้นก็เป็นไปเพื่อให้บรรลุจุดหมายของธรรมะด้วย ก็เลยอาศัยธรรมะเป็นฐานของวินัยแล้วก็วินัยนั้นก็เพื่อเข้าถึงจุดหมายของธรรมะอีกหมายความว่าธรรมะนั้นเป็นทั้งฐานและเป็นทั้งจุดหมายของวินัยธรรมะก็คือตัวหลักความจริงตามธรรมชาติมีอยู่ตามธรรมดาของมันส่วนวินัยก็คือระบบการจัดตั้งในสังคมมนุษย์ใช่ไหมเพื่อให้มนุษย์ได้ไประโยชน์จากธรรมะอย่างที่ว่าไปแล้วอันนี้ว่า นี่แหละทำไงเราจะมีระบบการจัดตั้งใช่ระบบสังคมที่ดีระบบสังคมที่ดีเป็นระบบการจัดตั้งนี่ในสมัยปัจจุบันก็มาแยกออกเป็นระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองการปกครองระบบสังคมในด้านต่างๆเยอะไปหมดก็เลยเป็นปัญหาอีกว่ามนุษย์เนี่ยจัดตั้งวางระบบได้ผลดีไหมแล้วได้ผลดีนี้เกิดจากความเข้าใจตัวธรรมะหรือเปล่าใช่ไม แล้วจัดทาเพื่อธรรมะหรือเปล่านี่ก็เป็นปัญหาใหญ่อีกเลยอันนี้ถ้าเขาไม่เข้าถึงความจริงแท้ไม่รู้ความจริงของกฎธรรมชาติความเป็นไปตามเหตุปัจจัยไอ้ความรู้ความจริงไม่พอมาตั้งระบบในสังคมมันก็บกพร่องมันก็ไม่ได้ผลอย่างแท้จริงแล้วแถมวางบางทีไม่ได้วางเพื่อจุดมุ่งหมายของความจริงและความถูกต้องธรรมะนั้น ไปวางเพื่อผลประโยชน์เพื่ออะไรแต่ไรมันก็เลยไปกันใหญ่เนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้นะแต่ว่าย้าซะก่อนว่าเพื่อจะให้ธรรมะเป็นไปได้เช่นเรื่องการที่สังคมจะอยู่ในความไม่ประมาทได้เราจึงต้องหาทางทำให้สำเร็จผลด้วยระบบการจัดตั้งซึ่งเรียกว่าวินยัยเนะี่ยนี้ว่าตอนนี้ สังคมฝรั่งกลับเป็นสังคมที่มีความชำนิชำนาญมีประสบการณ์ในการจัดตั้งมากกว่านะีสังคมของเรานี่ยเรื่อยๆเปื่อยๆไปนั่น ไ, ไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องระบบการจัดตั้งแต่ประสบการณ์ในการต่อสู้ของเขาสูงเพราะการต่อสู้มากก็ทําให้คนนี่พยายามคิดหาทางวางระบบการจัดตั้งให้ได้ผลเหมือนกันนะอก็เลย เรื่องของมนุษย์ก็เลยมาด้านหนึ่งก็คือเครื่องวิถีของกิเลส ท, ที่มนุษย์จะต้องต่อสู้ด้วยอำนาจโลภะโทสะโมหะอีกด้านหนึ่งก็คือการที่วิถีของการเข้าถึงความจริงด้วยสติปัญญาแทๆ้ๆสองอันนี้มันก็สู้กันอยู่ในตัวตลอดเวลาในหมู่มนุษย์เองนะ